ตอนใจสงบกายสบายลูกจงสังเกตถึงจิตใจที่จะสงบขึ้นสติปัญญาแจ่มใสสมองโปร่งไม่ปวดศรีรษะทำอะไรก็ดูง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ผิดพลาดไม่เครียดจนหดหงิดถ้าลูกพบคนที่ไม่ถูกโลกกันมาก่อนกลับรู้สึกเฉยเฉยแทนที่จะเกิดความอิดหนาระอาใจอย่างที่เคยเป็นมา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 แต่ก่อนนี้สมัยชุนชิวมีขุนนางในแคว้นเว่ยท่านหนึ่งเมื่ออายุได้ยี่สิบปีท่านก็รู้สึกตนเองว่าตนเองได้ทำผิดอะไรมาบ้างและสามารถแก้ไขได้หมดสิน้นคันเมื่อท่านอายุได้21ปีท่านก็รู้อีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้นที่แท้ยังไม่หมดจดดีคั้นเมื่อท่านอายุได้ยี่สิบงปีท่านก็ยังเห็นอีกว่ายังเหลือความผิดอะไรอยู่บ้าง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 เรากับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอาดีตนั้นเราได้ทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนี่ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไม่นั่นเองลูกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกที่อาพัพให้เห็นได้ง่ายๆเช่นเป็นคนขี้หลงขี้ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเงาหานอน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 ถ้าลูกรู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนี้ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้ลังรออยู่เลย